เรื่องอุทกาดาบดรามบุตรต่อมาพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำรีว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนเนาะใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันจึงทรงดำริต่อไปว่าอุทกะดาบดรามบุตรนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีในตาน้อยมานานถ้ากระไรเราจะพึงแสดงธรรมแก่อุทกะดาบดรามบุตรก่อน เธอจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันลำดับนั้นเทวดาผู้ไม่ปรากฏกายมาทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ผู้เจริญอุทกาดาบทรามบุตรได้ทำกาละเมื่อวานนี้แม้พระผู้มีพระภาคก็ได้เกิดยานขึ้นว่าอุทกาดาบทรามบุตรได้ทำกาละเมื่อวานนี้จึงทรงดำริว่าอุทกาดาบทรามบุตรเป็นผู้มีความเสื่อมนานเนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลัน ต่อมาพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริดังนี้ว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันจึงทรงดำริว่าภิกษุปัญจวคีมีอุปการะแก่เรามากที่ได้เฝ้าปรนิบัติเราผู้มุ่งหน้าบำเพ็ญเพียรมาถ้ากะไรเราจะพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวคีก่อนแล้วทรงดำริต่อไปว่าบทนี้ภิกษุปัญจวคีอยู่ที่ไหนหนอ ก็ได้ทรงเห็นภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ป่าอิสิ ป, ปตนะมรุขคาายวันเขตกรุงพาราณสีด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสู่มนุษย์ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะตำบลอุรุเวลาต่ำพระอัทยาศัยแล้วได้เสด็จจาริกไปทางครุงพาราณสี